บันนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธารชนทั้งหลายต่อไปเนื่องจากวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาจากสองหลักสูตรคือท่านที่ปฏิบัติอยู่โดยปกติในวันเสาร์ทุกๆวันเสาร์ ซึ่งได้บรรยายมาทั้งเรื่องของนิวรณในแต่ละข้อและในขณะเดียวกันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้าศึกษาในหลักสูตรเจ็ดวนันเป็นการฝึกเจริญสมตะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแตนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลทั้งสองฝ่าย การมายายในที่นี้ก็จะกล่าวหลักโดยสรุปที่เราเรียกว่าหลักไติจาหรือหลักของอริมัชมี อ, องค์แ8ประการอริยมัชบางทีเราเรียกว่าอัฐังกิกรรมะทางแห่งการประพฤติปฏิบัติที่ประกอบด้วยองค์8ปประการด้วยกันอันที่จริงแล้วทางนั้นก็มีอยู่ทางเดียว แต่ส่วนประกอบที่ให้เกิดเป็นทางที่สมบูรณ์นั้นก็มีอยู่8ประการคำนองคล้ายๆกับยาขนานเดียวแต่ก็มีเครื่องยาต่างๆหรือส ม, มุนไพรต่างๆเข้ามาปรุงแอย่างรวมกันก็กลายเป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการมาปัดโรคได้หรือแม้แต่การปรุงอาหารหรือการกระทั่งออย่างอื่นก็มีลักษณะอย่างนั้น อาหารชนิดเดียวแต่ว่าเครื่องปรุงหลายอย่างขนมชนิดเดียวแต่ว่าเครื่องปรุงหลายอย่างเปน็นต้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเราจึงเรียกว่ามักแปที่จริงก็ไม่ถูกอมากนั้นก็มีอยู่เพียงมักเดียวเท่านั้นดังนั้นเพื่อให้สะดวกแก่การศึกษาปฏิบัติบางครั้งก็ใช้เรียกสองคำคือบิชฉามักกับสัมมามัก สมามากก็คือทางที่ดําเนินไปชอบดําเนินไปถูกต้องดําเนินไปดีมิสามากก็คือทางที่เดินไปสู่ความผิดในด้านต่างๆอริยมรรคจึงเป็นผลโดยตรงจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วยและเป็นเหตุที่ให้พระพุทธเจ้าตรัสรูด้ด้วย คือในการศึกษาค้นคว้าก่อนที่จะศึสรุนั้นเราจะพบว่าพระบธิสัตว์ก็ค้นคว้าแกวงไปแกวงมาระหว่างสองสายคือสายที่บางทีก็ย่อนเกินไปปล่อยกายปล่อยใจให้ผัพันหมกมุ่นรื่นเริงบันเทิงอยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่มีการปรุงแต่งประดับประดาทั้งหลาย ตลอดระยะเวลา29ปีก่อนจะเสร็จดอกพนันหนดก็เป็นช่วงที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านี้อยู่มากเรียกได้ว่าถ้าหากไม่ใช้ปัญญาอปิณิพิจนาจริงๆภาพที่ปรุงแต่งเหล่านั้นก็สามารถที่จะปูุกมรรัดรระรึงประไถยของพระองค์ให้หมกมุ่นอยู่ในคารวาสวิตัยได้ แต่เพราะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษคือจะเกี่ยวข้องเรื่องอะไรก็ตามจะส่งใช้ปัญญาพิจารณาทุกขั้นตอนคือไม่ได้หยุดการใช้ปัญญาพิจารณาทำไมพระองค์ทรงไปจักแจ้งโดยภาษาไทยว่าเป็นทางที่ไม่สามารถจะหลุดรอดจากความทุกข์ที่แท้จริงได้ในสู่สก็เสด็จดอกผนวช ในช่วงที่มีการเสด็จออกผนวดมันก็มีทั้งสองอย่างเพราะแบบในการปรฏิบัติสมัยก่อนพุทธการเ่าก็มีอยู่สองแนวแนวหนึ่งคือปรนปรือตัวเองบำรุงปรือตัวเองให้เกิดความสะดวกสบายด้วยประการต่างๆเรียกรวมๆว่าการมาสุ ข, ขัาริการในโยกคือการเอาตนเข้าไปผัวปันหมกปุ้นอุ่นวายอยู่เรื่องของวัตถุกรรมทั้งหลาย ดยอำนาจของจิตที่ประกอบด้วยกิเลสกามโลภะโทสะมหขแต่บาีก็แกวนไปจนมีการทรมาน ร, ร่างกายด้วยประกาศต่างๆตามความเชื่อถือที่มีการเผยแพร่สั่งสอนกันในสมัยนั้นและแม้ถึงสมัยปัจจุบันพราจิตหรือวิ ญ, ญญาณของบุคคลนั้นถูกขังไว้ในกงรงคือร่างกาย เพราะน่าต้องการให้จิตปัญญาณอิสระคือุดรอดจากการครอบงร่างกายก็ต้องทรมานร่างกายและความลำบากก็คิดตำนองใกล้ๆกับว่าญาติพี่น้องเราติดคุกก็ไปปล้นคุกเราญาติพี่น้องเราออกมาตังนั้นซึ่งก็เป็นความคิดผิดมาตั้งแต่ต้นต น, นั้นโดยวิธีนี้ที่จบลงด้วยการอดประกรยายหาร จนไม่อาจจะดำรงพระองค์อยู่ได้ก็เรียกว่าจวนจะตายหรือปางตายก็ทำให้ได้หลักเกณฑ์ขึ้นมาจะทรงพิจารณาถึงทางที่ไม่หย่อนเกินไปไปดึงไม่ตึงเกินไปเพราะในทางเหล่านี้เราจะรับสั่งแสดงแก่ท่านปัญจคีตั้งแต่ต้นของพระสศุษ แ, แสดงในที่อื่นมันก็มีแน่จากนั้น ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่จะสร้างภูมิปัญญาขึ้นมาภายในใจของบุคคลคือสร้างดวงตาสร้างญาณสร้างปัญญาสร้างวิ ช, ชาสร้างแสงสว่างขึ้นภายใน ใ, นใจคุณธรรมที่มีชื่อซ้อนๆกัน5อย่างนี้ที่จริงก็คือสมัยานะความรู้ในทางชิ่ชอบ เป็นลักษณะของความรุ่งเรืองความสว่างสวยแห่งปัญญาที่ปรากฏภายในจิตพนจิตของเราก็มีสองขั้วใหญ่สาคัญคือขั้วของอวิชชาที่แต่กิ่งก้านสาขาเป็นโลภะโทสะขั้วของวิชาที่แต่กิ่งก้านสาขาเป็นความไม่โลปไม่กรธไม่ดงเพราะฉะนั้นเมื่อขั้วของวิชาปรากฏขั้วของวิชาก็ต้องดับไป แต่นั้นจึงได้ตรัสรู้เพราะทรงกระทาให้สมบูรณ์ด้วยอริมัติมีองค์แปดประการทำไมเกิดพระญาณแล้วก็ประยก็หลุดพ้นจากกำนาของกิเลสอาสวะตังางๆคำสอนของพระพุมีพระภาคเจ้าที่ปรากฏในตอนหลังก็ตั้งแต่ปฐมเทศนาไปต้นมา มันก็อยู่ในกรอบของอริศาสตรทั้งสี่ประการที่พระองค์จัสารู้มาแต่คําสอนส่วนใหญ่นั้นจะเน้นไปที่อริมักในองค์แประการแต่บางทีก็เน้นเพียงองค์ใดองค์หนึ่งของอริมักยกตัวอย่างเช่นศีลซึ่งท่านสาธารชนทั้งหลายได้สมาทานมาแล้วมันก็เน้นที่สมากรรตะสมาวาจาสองประการ แล้วก็สมาสติอย่างอ่อนๆศิ่งก็ที่1นึสคืองดเว้นจากการทําลายชีวิตสัตว์งดเว้นจากการเทาสิ่งของที่เจ้าของก็ไปให้หรืองดเว้นในกา ร, รประพฤติิดในทางการถึงแก่ขององค์มรรคมันก็เป็นสมากกัมมันตะในการทําการงานที่ชอบกา ร, รธประพฤติปฏิบัติใน ท, ทางที่ชอบเพราะว่าใช้ชีวิตไปในลักษณะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่นตนเองอะแก่บุคคลอื่น มุสาวาทซึ่งเป็นข้อที่สี่ก็เป็นสัมมาวจาือเจรจ า, าในทางที่ชอบในขณะนั้นคือศาบ์ไตที่วจียังสุดจิตอยู่ก็แสดงว่าอริมาคข้อนี้ก็ดำรงอยู่แต่อะิรมัค ก, ก็เป็นสังขารจึงมีการเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเหมือนกันเพราะเราจะพบว่าลักษณะภายในจิตของเรา เคยผ่านพ้นมาแล้วโดยลำดับนั้นบางครั้งก็มีลักษณะเป็นลมเพลงลมพัดเกีออ่ยนายอะไรไม่ได้ในกรณีใดที่กุศลมีกำลังเกิดขึ้นภายในใจแต่ก็แล่นเข้าสู่ครองก็รีมากได้ทั้งหลายขอ้อแต่บางคราวอากุศลนรรั้นถามว่าเกิดมาเต็มเตียบหรือเกิดมาม า, มากภายในใจใจก็เฉออกไปจาก กุศลธรรมเราก็ไปเข้าทางของอกุศลบรรดาสายชนจะเห็นได้ว่าชีวิตของเรานั้นมันมีอยู่สองกระแสะใหญ่ดังกล่าวประเมเห็นในเรื่องเดียวกันถ้าไม่ผิดก็ถูกถ้าไม่ถูกก็ผิดมันก็มีอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะถูกมุมหนึ่งแต่ ว, ว่าผิดในมุมหนึ่งเวลาเราคิดอ่านเรื่องราวต่างๆบางอย่างเราคิดได้ถูกไปถูกในระดับหนึ่งหรือว่าถูกลึกขึ้นไปแบบ น, นั้น บางอย่างเขคิดได้ผิดผิดในบางจุดหรือบางระดับหรือ ถ, ถูกในบางจุดบางระดับเพราะอะไรเพราะปุถุชนนั้นไม่ได้ย่งรากลึกในทุกๆเรื่อ ง, งทิฏฐิสาวมันชนรู้นั้นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นภาพมายาที่มีการปรุงแต่งกันขึ้นมาเพราะการรับรู้สิ่งเหล่านั้นท่านก็ตัดสินไปตามประสบการณ์ของท่านซึ่งแล้วก็ถูกในระดับหนึ่งได้แต่พอถึงอีกระดับหนึ่งก็ไม่ถูก ในสมาสตินั้นในข้อสุราที่จริงก็คือสมาสติโดยเน้นจริงๆเนี่ยต้องการให้คนมีสติแต่เพราะสติเป็นระดับของจิตสิกข า, าการพัฒนาสติในตอนนี้ก็เพียงแต่ห ง, งดเว้นการไปดื่มสิ่งซึ่งเบเดให้ขาดสติมากยิ่งขึ้นเพราะตามปกติคนเรามันก็ขาดสติอยู่แล้ว แต่ถ้าไปมองมอาตัวเองหรือสิ่งเสพติดเข้าไปอีกก็จะไปกันใหญ่จนอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรโดยขาดความสานึกรับผิดชอบเพราะว่าถูกริ์ของแอนคอร์ครบงําใจในขณะนั้นผลสินมันก็เป็นอริยมรรคการเรียงแนวอริยมรรคเนี่ย ท่านสาชนทั้งหลายได้ลองสังเกตว่าเวลาเรียงใจดิขานั้นพระเจ้าเรียงด้วยศีลสมาธิปัญญาคือช่วงการปฏิบัติขาดกลาจิตใจของตนเองนั้นแต่และช่วงแม้แต่ช่วงศีลเราก็เล่นกระสาหัสสะกัดเอาก็ไม่อยู่ก็ขาดแล้วขาดอีกอยู่ดยบางทีก็ขาดเ้ะกรุรุกระร่งหมดเพราะในทางปฏิบัติก็ทรงสอน ระดับศีลสมาธิปัญญาคือเรียงไปอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วโดยการตกตรงใจการตัดสินใจที่จะเลือกประพฏิบัติโดยเจตจำนงเนี่ยโดยเจตจำนงในการปฏริบัตินั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นคุณของศีลและโทษของการไม่มีศีลก็เรียกต้องใช้ปัญญาอีกระดับหนึ่ง จึงจะมีความสนใจที่จะสมาทานศีลที่จะรักษาศีลเพราะในะรีมักมีองศา ป, ประการแทนที่จะลงชงเรียงว่าศีลสมาธิปัญญาก็ทรงเรียงว่าปัญญาศีลสมาธิแต่การเรียนแนวนี้จะต้องเข้าใจว่ามันมีลักษณะเหมือนกับการขีดเส้นวงกลมจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงใด เราก็ต้องหมุนกลับเข้ามาบรรจบกับเส้นเดิมที่ขีดไว้ในครั้งแรกวงกลมก็จะเกิดขึ้นแต่ตราบใดที่ยังไม่มีการบรรจบก็ถือว่ายังเป็นวงกลมไม่ได้เพราะการประบัติธรรมในทางศาสนาก็เป็นเช่นเดียวกันคือเริ่มต้นมาจากปัญญาแต่ปัญญาระดับพิจารณาแยกแยะไม่ใช่ปัญญาระดับที่จะตัดกิเลสได้ขาด ถ้าใก็พูดถึงแสงสว่างก็ขนาดรบไยฉายสองทางให้เห็นในจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเด็กไม่ใช่แสงประาทิตย์ที่จะสว่างครอบคลุมพื้นที่อาณาบริเวณกว้างใหญ่ไปสารได้แต่ไงไงเขาก็เป็นปัญญา ป, ญปัญญาจะต้องเกิดขึ้นผ่านการปินิดปิจณาของท่านผู้นั้นแล้วก็เห็นคุณค่าของ ศีลเห็นโทษของการไม่มีศีลในสุดก็ตั้งใจสมาทานศีลเพราะเราจะพบว่าคนที่พบพระพุทธเจ้าครั้งแรกนั้นท่านเหล่านั้นไม่ได้เริ่มต้นที่ศีลแต่เริ่มต้นที่การพัฒนาปัญญาเโื่ออาศัยฟังพระสรธรรมจากสำนักของพระพุทธเจ้าศึกษาตามพิจารณาตามปฏิบัติตาม พอถึงจุดหนึ่งท่านเหล่านั้นก็เห็นคุณค่าของธรรมะเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นจุดใดก็ตามจุดศีลก็เห็นคุณค่าของศีลได้พิจารณาเหตนโทษของการละเมิดศีล เ, เทียบเคียงกับวิถีชีวิตของตนที่เคยประสบมาเราสามารถเชื่อมโยงกลุ่ความทุกข์กับเหตุที่เกิดทุกข์ได้แล้วก็ผ่านพบความทุกข์มา เป็นนั้นมากแต่ถ้าเราลองตรวจสอบดูวความทุกข์ที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลทึ่เกิดมาจากเขตุในการเจตนาจงใจในการกระทำของเราหรือการพูดของเราหรือการคิดของเราเพราะฉเรามองย้อนกลับเข้าไปที่เดิมคือที่มาก็จะเห็นว่ารุนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสหยาบบ้างกลางั้างละเอียดบ้างก็สร้างปาัญหาเพราะถ้ามาอยู่ความรุนแรงก็กิเลสไว้ด้วยระดับศีล สิ่งที่เป็นเบณเป็นภัยเป็นอันตรายต่างๆทีเกิดขึ้นครอบงำมิตีชีวิตของเราก็จะลดละจางคลายลงไปกุศลและเจตนาเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดฉันทะอุตสาหาที่จะสมาทานสิน่ก็ถือว่าเป็นปัญญาระดับพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจซึ่งก็ไม่ใช่สมบูรณ์ แต่ว่าเป็นปัญญาระดับหนึ่งที่เกิดขึนแต่ทุกขั้นตอนงการรักษาศีลก็ต้องรักษาด้วยปัญญาพินิจพิจารณาอาจารย์ได้กยกตัวอย่างว่าวิธีชีวิตแนวนี้เมื่อพูดสรุปอีกทีหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าสัญญาธรรมะอหิงสาคือสัญญาธรรมอหิงสาการสมรวมการระวังการไม่ิดเปลียน การไม่เวียดเวียนที่จริงมันเป็นการพิสูจน์ยืนยันถึงผลของการสํารวจระวังผลของการฝึกปลือการปฏิบัติตนเองของบุคคลนั้นเพราะในแนวของอริมัชมีองค์8ประการนั้นเป็นการแสดงอริมัชที่สมบูรณ์หมายความว่าเต็มที่ในเรื่องนั้น มีการเริ่มต้นจากสมาธิแล้วไปจบที่สมาธิิหมายความว่าเราเป็นปุถุชนธรรมดาสามัญ น, นี่แหละเรมจินตนาเห็นคุณของธรรมเห็นโทษของอัธรรมก็แสดงความเห็นเราก็เป็นสมาธิิแล้วระดับเนี่ยตท่สุดก็เริ่มลงมือปฏิบัติในชั้นศีลสมาธิปัญญา ปัญญาเองก็จะเกิดขึ้นสนับสนุนทุกขั้นตอนของสี่งของสมาธิและแม้แต่ของปัญญาแต่ความสมบูรณ์เต็มเปี่ยมที่สามารถทําลายกิเลสได้ออกไปจากใจได้นั้นเป็นเรื่องของปัญญาที่เรียกว่าสมาธิิคือปัญญาเห็ชอบสมาธิปัญญาเห็นชอบที่สมบูรณ์จริงๆนั้นหมายถึงการเห็นชอบในอริยสัตทั้งสประการ แต่ว่าเป็นการเห็นด้วยญาณไม่ใช่เห็นด้วยความคิดหรือความอ่านหรือการสนทนาที่เรียกว่าไม่ใช่เรื่องเข้าใจแต่เป็นเรื่องของใจที่หมดกิเลสในเรื่องนั้นเพราะอายการรู้เห็นเรื่องความจริงตำหลักของอริสัตย์ทั้งสี่ประการที่เรียกว่าเป็นญาณอริสัตย์นั้นก็คือรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความรับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติได้ถึงจึงความรับทุกข์ แล้วก็เกิดยานผุดขึ้นภายในใจว่ารู้นั้นทุกว่าควรกําหนดรู้เอาคือรับรู้สภาพความจริงของเขาแล้วก็พร้อมที่จะปล่อยวางสมมติไทยนั้นเป็นสิ่งที่ควรละในโรกควรทําให้แจ้งมักควรเจริญเดีวเกิดยานผุดขึ้นภายในใจว่าทุกที่ควรกําหนดรู้เราเร า, เร า, เราได้กําหนดรู้แล้วสมมติไทยที่ควรละได้ละแล้วในโรกที่ควรทําให้แจง้งนะทําำให้แจ้งแล้วมักที่ควรเจริญได้เจริญได้ ความรู้ในชั้นนี้ถ้า น, นํามาเทียบเคียงกับเรื่องสมุทัยเหมือนกับอาการของโรคทุกเหมือนกับอาการของโรคสมุทัยเหมือนกับเหตุที้เกิดโรคหรือสมุขสันโรคในโรคเหมือนความหายจากโรคมักเหมือนหลักการวิธีการในการเยียวยารักษาโรคโดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าเห็นตรงหนึ่งมันก็เห็นตรงนั้นเพราะว่ามีความต่อเนื่องถึงกันโรค สืบเนื่องมาจากสมุธฐานของโรคสมุธฐานของโรคที่สงบระงับลงไปมันก็สืบเนื่องมาจากการดับสมุธฐานของโรคแต่การดับสมุธฐานโรคเองมันก็เป็นผลสืบต่อบมาจากมรรคคือข้อประพฤติปฏิบัติเาันชีวิตของเราจึงอยู่ในแวดวงของเรื่องนี้ ก็มีทุกมีเหตุเกิดทุกมีความระดับทุกมีข้อปฏิบัติถึงถึงความดับทุกช่วงสั้นๆบ้างช่วงยาวๆบ้างไปือช่องที่สมบูรณ์เต็มที่บ้างพลสมาธิิจึงเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสุดท้ายของอริมัคมีองแปรประการตํานองนคล้ายกันลากเส้นวงกลมนังกาสมาสังกปะแปลว่าความบริหรือความคิดในทางที่ชอบ คือถเกิดว่าความคิดของคนเรานั้นจะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายสามฝ่ายคือคิดดีคิดไม่ดีแล้วก็คิดเฉยๆคือไม่ถึงก็ดีกับไม่ดีแต่จริงๆแนวเฉยๆเนี่นยมันก็แล้วแล้วแต่จะไปในแนวใดคือเฉยๆในลักษณะที่ไม่รับผิดชอบอะไรไม่สนใจอะไรมันก็หนักไปทางโมัะเลยบางทีเนีย แต่เฉยๆในละักษณะคุมใจตัวเองไว้ไม่เกิดความยินดียินรัยในกรณีบางกรณีที่เรามาอยู่ในวิสัยทีจ่จะไปแก้ไขอะไรได้ก็รักษาใจเอาไว้ด้วยอํานาจของเบกขามันก็เป็นกุศลได้เพราะในะเฉยจริงๆเนี่ยจริงก็เป็นได้ยากเป็นมาผู้ชุนเพราะจิตมันก็แกว่งไปแกว่งไปในเรื่องไปเรื่องหนึ่งด้วยอํานาจของความรักและความจับ พฤติาการรมที่ท่านพูดมากที่ทนเอามาแสดงกันมากซึ่งเป็นอาการของอกุศลก็อกุศลที่สงใช้ก็ว่าด âm ริชอบหรือดํ m ริผิดในองการดํ m ริชอบก็คือดํ m ริที่กอบด้วยปัญญาคือความคิดนี่ไม่ฉลาดกม็มีฉลาดกม็มีแต่วันในที่นี้ท่านเน้นไปที่ปัญญาศิกขาคือให้เน้นมีความคิดอย่างผู้ฉลาด คิดจะ่ปัญญาปัญญาดูสภาพจิตของตนจะเห็นว่าความคิดบางอย่างไม่ต้องพูดถึงออกไปทำหรือออกไปพูดก็ตามมันก็สร้างปัญหาแล้วสร้างความร้รอนรนขึ้นมาแล้วพยายามถ่ายถอนความคิดไม่ดำริไม่ตรึกนึกไปในทางที่จะเพิ่มกิเลสเรียกว่าเนกามัสังกปั คือดําริในการที่จะดึงกายดึงจิตถ่ายตอนจิตของตนออกจากอำนาจของกิเลสกรรมบ้างออกจากอำนาจของวัตถุกรรมบ้างซึ่งตัดเห็นว่าจุดเน้นจริงๆนะั้นเน้นที่จะทำจิตของตัวเองให้ปลอดจากกิเลสกรมเพราะวัตถุกรรมในใจมึงก็หนียากนะมันก็เยอะเราก็ต้องเห็นได้ยินได้สูดดมได้รีนจัต้อง แล้วเราเองในตัวเราเองที่จริงก็เป็นวัตถุ ก, กรรมของใจเราเหมือนกันปัญหาจึงไม่อยู่ที่ตัวข้างนอกแต่มันอยู่ที่ตัวข้างในผลความคิดในแนวนี้จึงมุ่งที่จะลดละบันเทาความรู้สึกกับหนักระคายเพลิดเพลินในกายตนและกายบุคคลอื่นในสิ่งของตนและสิ่งของบุคลบคลอื่นเพืกอแงวในวัตถุ ก, กามทั้งหลา ย, ยให้เจรจางบาบางลงไปจะถึงกำหนดสิ้นไป ความคิดในสายที่สองคือความคิดในแนวพยาบาทเกิดขึ้นจากความไม่พอใจไม่ชอบใจความโกรธความบุดหงิดความอาคติความขัดเคืองต่างๆเป็นต้นซึ่งมันเกิดในอดีตแล้วก็ที่จริงก็ดับไปแล้วในอดีตแต่คนก็ไปปลูกผีอารมณ์หลอนนั้นขึ้นมาแล้วก็หลอกหลอนตัวเองเราก็มองเห็นโทษของความคิดในแนวนั้นก็พยายามบรรเทาความอาคตพยาบาทในบุคคลในสัตว์ต่างๆออกไป โดยสัยการใช้ปัญญาแยกแยะให้ชัดเจนจะลองสังเกตถ้าเราใช้ปัญญาแยกแยกะได้เราไม่ถูกกับพ่อแม่เขาแต่ว่าลูกของเขาไม่เกี่ยวเราก็เมตตาสงสารลูกของเขาเป็นต้นซึ่งก็จริงก็ไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายประการต่อไปนั้นก็คือความคิดในลักษณะเบียดเบียนมุ่งดูความปีนาความปีปัดตวดร้อนก็มบุครุงทั้งหลาย เป็นสภาพที่เดียกว่ามารุมมตุมหรือมามุงกันดูแลเกิดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเนี่ยนั่นก็คือเงาสะท้อนจากจิตที่ตั้งไว้ผิดถึงคิดผิดการอยากดูคนตนเองนั้นนอกจากไม่ได้เลยแต่ก็สร้างปัญหาแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังปฏิบัติงานในขณะนั้นด้วยตอนความคิดในตํนนองไม่บิดเบียนคือจะมองเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่จะตายด้วยกัน ท, ทั้งหมดทั้งสิ้นในแง่ของกรุณา แลกกลายเป็นความคิดในทางที่ชอบคึณสังเกตว่าตัวการใหญ่ในเรมาร์ัก็อยู่สองข้อนี้ข้อต่อไปนั้นเป็นเรื่องของการควบคุมมาจากศูนย์ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าในข้อต่อไปคือศีลซึ่งเป็นการกระทํากับการพูดการทําการพูดนั้นก็ถือเนื่องมาจากความคิดพอเราคิดยังไงเราก็พูดอย่างนั้นแต่ตรงนี้คุมความคิดไว้ได้อยู่ในครองของกุศลได้ การกระทำของท่านก็เดินไปในคลองกุศลอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็อยู่ในจุดของการงดเว้นไม่พูดคําเท็จไม่พูดคำโสเสียดคื อ, อยุ่ยงจนเกิดความแตกแยกไม่พูดคําหยาบไม่พูดคําเพื่อเจือเดื่อยแล้วก็งดเว้นจากการยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกจากจุดเล็กๆจนถึงจุดใจแ่ๆใตรงนี้คือสี่คำเนี่ย มเมื่อเว้นใการพุทธะพุกรมยพุโสเศษพูดโพเจต์เนี่ยมันก็เป็นวิจีสุจริตแล้เป็นศีลสิกขาก็คือศีลมุสาวาตดังกล่าวรดยเงื่อนเว้นจากการข่าสรรวักษาพยเพื่อปิดในกาศก็เป็นส่วนของกายแต่อย่าลืมว่าใจจะต้องมองเห็น คุณค่าของชีวิตคุณค่าของทรัพย์คุณค่าของครูครองของบุคคลอื่นอันเป็นที่รักใคร่หวงแหนของเขาแล้วเกิดปัญญาพิจาณายอมรับสิทธิผลประโยชน์เหล่านั้นของบุคคลอื่นไม่ก้าวล่วงไปจะนั้นก็มองเห็นผลดีงามที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติตลักษณะนั้นและในสุดมันก็ออกมาในรูปของการงดเว้นแต่การงดเว้นแต่การเลี้ยงชีพในทางชีพผิดกฎหมายผิดศีลธรรม มันเป็นการยืนยันว่าการชีวิตแบบศีลเนี่ยกิเลสมันต้องลดลงไปถ้ากิเลสยังมีความรุนแรงเราก็รักษาศีลไม่ต้องพูดไกลไปถึงสมาธิศีลเองเราก็รักษาไม่ได้เพราะนั่นข้อบัญญัติจุดนี้มันก็สืบเนื่องมาจากความเห็นชอบแล้วก็ความคิดชอบจึงสํานึกที่จะประพฤติปฏิบัติบนเส้นทางความดีก็คนนั้นก็มาจะผ่านมาทานศีลม า, าสาธิ์ พอปฏิบัติในชั้นสีเนี่ยมันก็อให้เกิดความบริสุทธิ์ก็เรียกว่าสีล้วิสุทธิ์อาชีววิสุทธิ์มันก็บริสุทธิ์ไดสองอย่างทีนี้เมื่อเราปฏิบัติไปดำหลักของรีมักมีปัญญามีความเห็นชอบมันก็กลายเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์ เขเรียกว่าจิตชีมันไม่มีบัตรตัวความเห็นก็บริสุทธิ์ตลัลรองาทําให้ศีลบริสุทธิ์อาชีวะบริสุทธิ์พอถึงสมาธิก็จิตมันก็บริสุทธิ์พอถึงปัญญาทิฐิมันก็บริสุทธิ์คือความเห็นก็บริสุทธิ์ก็จบเพราะในสมาบัญมะคือความประอย่าในทางชอบ เป็นเรื่องความคิดถิ่นในทางจิตใจที่จะมาเห็นพิจารณาเห็นอารมณ์บางอารมณ์หรือหลายอารมณ์ที่จะผ่านมาทางตาหูจมูกจิงกายเป็นทางกิเลสก็งดเว้นไม่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านั้นปัญญาพิจารณาเห็นตรวจสอบดูว่าข้างในเนี่ยภายในใจมันก็มีกิเลสมีความริษยาขึงวงอาฆาตไปยาบาทแข่งแกล้งแข่งดีก็ได้วยประการต่างๆบูธบายกันไปหมดก็พยายามลดละความคิดเหล่านั้น ปัญญาปิจรณาเห็นสิ่งดีงามทั้งหลายซึ่งมีอยู่จะตำหนักตำนาจะคําบอกกล่าวจากจิตที่สัมผัสก็ตามก็พยายามที่จะเพิ่มพูนความดีเหล่านั้นไว้ภายในใจตนและสิ่งดีงามทั้งหลายที่เคยสัมผัสแล้วหรือได้รับรูม้มาแล้วว่าตอนอย่างบกพร่องก็พยายามเสริมให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในจุดนั้นนี้ก็เป็นธรรมะปัยมะเป็นเรื่องระดับจิตใจ ที่เนีนเยวิจิตสิกขาหรือสมาธิสิกขาแต่ก็เชื่อมต่อไว้กับศีลโดยเฉพาะการรวบรวมระวังไม้ความชั่วมันเกิดขึ้นเนี่ยจริงถ้าเป็นพระเขาก็เรียกว่าศีลแต่าชาว บ, บ้านเขาก็เรียกว่าระดับสมาธิเราแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจตั้ความสงบสุขต่อไป